บทที่ห้าสิบสี่ใต้ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนามหาบอพิษพระเถรัถวายพระพรต่อไปบุคคลผู้ประพฤติ ธ, ธรรมเพื่อธรรมชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมเป็นผู้ร่ำรวยธรรมมีธรรมโภคะ พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายโภคะมีสองอย่างคืออมิตรโภคะหนึ่งธรรมโพคะหนึ่งในโภคะสองอย่างนั้นธรรมโภคะเลิ่กว่าอามิตรโภคะมหาบอพิตอมิตรโภคะนั้นคือความร่ํารวยอามิตรการมีอมิตรความมั่งคั่งปัจใจสีและเปรียบล้นด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโภชทพะ ทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อความลุ่มหลงมัวเมาส่วนธรรมโภคะนั้นคือความร่ำรวยธรรมการมีธรรมการมั่งคัง่งพรั่งพร้อมไปได้วยธรรมซึ่งเป็นไปเพื่อความขัดเกลาอย่างยิ่งเป็นบันไดาตายเต้าไปสู่พระนิพพานเป็นสะพานทอดไปสู่โลกอุดอนนี่แหละพระผู้มีพระภาคทรงยกย่องอย่างยิ่ง พระองค์ตรัสว่าเป็นผู้ไม่จนชีวิตไม่สูญเปล่าแม้คำว่าบุคคลจะถึงพร้อมด้วยโภคะก็เพราะศีลสีเลนะโภคะสัมปทานั้นก็หมายถึงทำโภคะนี่เองบุคคลผู้มีศีลบุคคลผู้มีศีลเหมือนมีพื้นดินดีเป็นที่รองรับพืชพันธ์ต่างๆถือทำได้โดยสะดวกเป็นที่ งอกงามขึ้นแห่งพืชคือธรรมศีลและธรรมจึงต้องควบคู่กันไปจึงจะอำนวยประโยชน์เต็มที่พระราชาผู้ทรงใช้ตราธรรมจักรเป็นตราแผ่นดินทรงประนมพระหัตถ์ขึ้นเหนือพระอุระพรางตรัสว่าน่าปลื้มใจจริงน่าปลื้มใจจริงคำของพระคุณเจ้าเป็นมัทุรกถาชวนชื่นใจ แต่พระคุณเจ้าข้าพเจ้าวิปฏิสารอยู่อย่างหนึง่งคือข้าพเจ้าได้เคยสั่งให้จับพระศึกเสียจำนวนมากมายข้าพเจ้าเกรงว่าในจำนวนนั้นอาจจะมีพระผู้มีศีลอยู่ด้วยจะเป็นบาปแก่ข้าพเจ้าขอถวายพระพรพระเถระทูลเรื่องนี้ขอพระองค์ยะทรงวิปิสสนเลย พระที่ถูกจับศึกประมาณสองหมื่นรูปก่อนทําสังคยานานั้นได้รับการพิจารณาสอบสวนอย่างแน่ชัดแล้วว่าเป็นผู้ทุศีลทั้งสิน้นการกําจัดภิกษุเหล่านั้นออกไปเป็นเสมือนการถอนหญ้าอันเป็นอันตรายแก่ข้าวกล้าออกจากนามีแต่คุณโดยส่วนเดียวอันหนึ่งเล่ามหาบพิษ เหมือนเนื้อกับเสือจะอยู่ร่วมกันไม่ได้หากต้องการรักษาเนื้อไว้ก็ต้องฆ่าเสือเสียหากไม่ฆ่าเสือเนื้อก็หมดเมื่อเสือกินเนื้อหมดแล้วก็จะหันมากินเจ้าของเนื้อต่อไปพิจารณาแล้วมองเห็นแต่อันตรายมหาบอพิษพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเหมือนอย่างว่าลาซึ่งเดินตามฝูงโคไปทุกย่างก้าวพร้อมด้วยประกาศว่า เราเป็นโครเราเป็นโคก็หาชื่อว่าเป็นโคไม่เพราะเสียงก็ดีสีก็ดีรอยเท้าก็ดีไม่ได้เหมือนโคเลยจึงสักแต่ว่าตามฝูงโคไปชันใดภิกษุบางรูปก็ชันนั้นตามหลังภิกษุสงไปทุกย่างก้าวพลางกล่าวว่าเราเป็นภิกษุเราเป็นภิกษุแต่ก็หาชื่อว่าเป็นภิกษุไม่ เพราะมิได้มีอธิศีนสิกขาอาธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาเช่นภิกษุทั้งหลายอื่นจึงสักแต่ว่าติดตามภิกษุทั้งหลายไปข้างหลังเท่านั้นด้วยเหตุนี้มหาบทพิไม่ต้องทรงวิตกกังวลได้เรื่องดังกล่าวพระองค์ควรมีปีติสมนัตที่ได้ทรงจัดเสียนน้ําแห่งพระพุทธศาสนาทําให้หมู่สมบริสุทธิ์ ควรแก่การกราบไหว้ของมหาชนและเป็นเนื้อนาบุญของโลกต่อไปพระคุณเจ้ากล่าวถ้อยคําเป็นที่ชื่นชมทําให้ขพเจ้าชุ่มชื่นยิ่งนักกรุณากล่าวต่อไปเธอพระคุณเจ้าขาพเจ้าไม่ต้องถามอะไรอีกแล้วพระคุณเจ้าประสงค์กล่าวสิ่งใดอันจะเป็นประโยชน์แก่ขพเจ้าก่อกรุณากล่าวเธอ มหาบอ่อพิษขอพระองค์ทรงมณสิการด้วยดีเถิดกุศลจริยานั้นอันมหาบอ่อพิษได้สั่งสมแล้วเป็นอันมากขอพระองค์ทรงละลึกถึงกุศลจริยานั้นเพื่อช่วยให้พระมนัตชุ่มชื่นด้วยธรรมโมชะและพระองค์พึงมณสิการถึงพระพุทธพจน์อันปฏิสังยุตด้วยชารามรณะเป็นต้นดังนี้ ภิกษุทั้งหลายทำสประการอันใครๆจะประกาไมิได้เลยคือ 1. ประการสิ่งที่ต้องแก่เป็นธรรมดามิให้แก่ 2. ประการสิ่งที่มีความเจ็บเป็นธรรมดามิให้เจ็บ 3. ประการสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดามิให้ตาย 4. ประการกรรมชั่วที่บุคคลทำแล้วมิให้ผลเป็นความทุกข์ความทุรนทุราย ภิกษุทั้งหลายนี่แลรรมสีประการอันใครๆในโลกไหนไหนไม่อาจประกันได้มหาบอพิตเกี่ยวกับเรื่องการกล่าวถ้อยคำนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมื่อกล่าวสิ่งใดอยู่อกุศลธรรมจเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปสิ่งนั้นไม่ควรกล่าวเมื่อกล่าวสิ่งใดอยู่อกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมจเจริญขึ้นสิ่งนั้นควรกล่าว จาณุโสนีปรามเคยกลาบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าบุคคลผู้มีความตายเป็นธรรมดาที่จะไม่กลัวตายนั้นไม่มีพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าที่ไม่กลัวตายก็มีคือบุคคลผู้ประศจา ก, การราคะหมดความพอใจในกรมคุณต่างต่างหนึ่งบุคคลผู้ประศจารราคะในกายหนึ่งบุคคลผู้ไม่ได้ทาความชั่ว มิได้ทำกรรมอาลามกไว้มากหนึ่งบุคคลผู้ไม่สงสัยในพระสัตธรรมหนึ่งพวกสุดท้ายหมายถึงพระอระหันตขีนาศผู้สิ้นความสงสัยในพระสัตยธรรมแล้วมหาบอพิษพระองค์ได้ทรงสละทรัพย์จำนวนมากบำรุงพระาศาสนาและพระสงฆ์ผู้มีศีลอนิสงฆ์แห่งทานนมามัยนั้น เป็นมากมายสุดจักรนาได้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนักคูตะการสาลาป่ามหาวันในเขตเมืองเวสาลีศีหะเสนาบดีได้เข้าเฝ้าทูลถามถึงผลทานที่ได้เห็นในปัจจุบันพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าผลของทานที่เห็นได้ในปัจจุบันนั้นมีอยู่สีประการ ที่เห็นได้หลังจากตายทำลายขันแล้วหนึ่งประการคือหนึ่งผู้ให้ย่อมเป็นที่รักที่พอใจของคนมากสองสัตว์บุรุษย่อมพอใจคบเค้าสามชื่อเสียงเกียรติคุณอันดีงามย่อมฟุ้งขจรไปสี่จะก้าวเข้าสู่บริษัทสมาคมใดก็เป็นผู้แกล้วกล้าไม่เก้อเขิน สี่อย่างนี้เป็นผลที่เห็นได้ในปัจจุบันส่วนผลที่เห็นได้ในสงปรา ย, ยิกรพบคือ 5. เมื่อตายแล้วย่อมบันเทิงเกิดในสุคติสวรรค์สีหาเสนาบาดีได้สดับแล้วกราบทูลว่าผลแห่งทานที่เห็นได้ในปัจจุบันสี่ประการนั้นเขาไม่ได้เชื่อพระผู้มีพระภาคแต่เขารู้ชัดด้วยตนเองทีเดียว เพราะเขาเป็นคนชอบให้ทาและได้รับผลสี่ประการดังนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงมาส่วนผลประการสุดท้ายอันเห็นได้ในสำปรา ย, ยิกภาภพนั้นเขาไม่รู้แต่เขาเชื่อพระผู้มีพระภาคบุคคลผู้เป็นคารวาสครองเรือนเมื่อเป็นผู้มีอัธยาศัยโน้มไปในทาแล้วนอกจากจะได้รับผลสีประการดังกล่าว ยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ปราศจากธรรมของคาลือฮัดบุคคลผู้มีศรัทธาเชี่ยกรรมและผลของกรรมหมั่นให้ทานรักษาศีลประพฤติธรรมนอกจากอำนวยความสความสุขความสงบแก่ตนเองแล้วยังเป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งแก่ญาติพี่น้องและบริวารชนมากมายพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าเหมือนภูเขาศิลาท่ามกลางป่าใหญ่ ต้นไม้ได้อาศัยภูเขานั้นแล้วเจริญเติบโตเป็นต้นไม้เจ้าป่าชั้นใดบุตรภรรยาพงพันมิตรอมารญ่าสาโลหิตตลอดจนถึงผู้ที่อาศัยอยู่ก็ได้ชั้นนั้นได้อาศัยบุคคลผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วย่อมเจริญรุ่งเรืองด้วยธรรมบุคคลเหล่านั้นได้เห็นศีลความเสียสละและสุจริตของกุลบุตรเช่นนั้นแล้ว ผู้ที่มีปัญญาแหลมคมย่อมดำเนินตามเมื่อประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วย่อมบันเทิงในเทวโลกเกี่ยวกับการให้ทรัพย์นั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแกอนาถบิณฑิกะเศรษฐีดังนี้ดูก่อนข้าหบดี วิธีการใช้ทรัพย์มีอยู่5ประการคือ 1. อริยสาวกสาวกของพระอริยเจ้าหาทรัพย์ได้มาโดยความเพียรพยายามได้มาด้วยกำลังแขนด้วยหยาดเหงื่อแรงงานได้มาโดยชอบทมแล้วพึงเลี้ยงตนมานดาบิดาบุตรภรยาบ่าวไพร่ให้เป็นสุข 2. เลี้ยงมิตรสหายให้เป็นสุข 3. ใช้ทรัพย์ นั้นบำบัดอันตรายอันเกิดจากเหตุต่างๆสีท่ทำพลีการเสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทนห้าอย่างกญาติพลีการสงเคราะห์ญาติ 5. ข อ, อติทิพลีการต้อนรับแขก 5. ขบุพเปตะพลีการทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย 5. งราชพรี การเสียภาษีอากรเจเทวตาพรีการทำบุญอุทิศให้เทวดาห้าบรุงเลี้ยงสมณพราหมณาจารย์ผู้เว้นจากความมัวเมาผู้ดํารงอยู่ในขันติโสรัจาจผู้ทําตนให้สงบทําให้ทักษินามีผลมากมีอานิสงส์สูงดูก่อนขหบดี เมื่ออริยสาวกได้ใช้ทรัพย์อย่างนี้แล้วหากทรัพย์ต้องหมดสิ้นไปเพราะเหตุนี้อริยสาวกนั้นก็ไม่มีการวิปปติสารความเดือดร้อนใจหากโภคาเพิ่มพูลขึ้นเขาก็ไม่เดือดร้อนใจเขาไม่เดือดร้อนใจทั้งสองด้านดูก่อนค้าบดีสิ่งห้าประการที่ต้องการ พอใจและสิ่งที่หาได้ยากในโลกห้ประการนั้นคือหนึ่งอายุอนนาพอใจสองวันนะอันนาพอใจสามสุขอันนาพอใจสี 4. ยศอนนาพอใจหาสวรรค์อนนาพอใจบุคคลผู้ปรารถนาอายุวันนะสุขยศและสวรรค์ ไม่อาจบรรลุผลสำเร็จได้โดยวิธีการกราบไหวอ้อนวอนแต่จะบรรลุผลสำเร็จด้วยการปฏิบัติตามปฏิปทาอันจะให้บรรลุถึงอายุอันหน้าพอใจเป็นต้นนั้นหากสำเร็จได้ด้วยการกราบไหวอ้อนวอนแล้วใครเล่าจะเสื่อมจากสิ่งที่ตนต้องการมหาบ่อพิธ บุคคลผู้เป็นสัพบุรุษเกิดในตระกูลเพื่อประโยชน์และความสุขของคนมากเป็นประโยชน์และความสุขแก่มารดาบิดาแก่มิตรสหายแก่สมณพราหมนาจารย์แก่บุตรภรรยาตลอดถึงทาตุกรรมกรผู้มีประโยชน์ปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่คนมากเป็นผู้คุ้มครองรักษาธรรมเป็นพระหูสูตรมีศีลและวัดดี เทวดาย่อมรักษาเขาให้ปลอดภัยและให้มีความสุขเกียรติย่อมไม่ละเขาผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมอันหนึ่งเล่าพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ไม่ประมาทเป็นบัณฑิตย่อมยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันชาติและประโยชน์อันเป็นสำปรา ย, ยิกัจจาิดังนั้นชีวิตอันประเสริฐของบุคคล จึงควรเป็นชีวิตอันประกอบด้วยประโยชน์ทั้งสองนอกจากนี้ควรบำเพ็ญทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์คนทั้งหลายเพราะบุคคลผู้ให้สิ่งที่น่าพอใจย่อมได้รับสิ่งที่น่าพอใจผู้ให้สิ่งเลิศย่อมได้รับสิ่งที่เลิศผู้ให้สิ่งประเสรศิฐย่อมได้รับสิ่งอันประเสรศิฐมหาบาพิษขอพระองค์พึงทรงพิจารณา ทศพิตรัชธรรมสิบประการคือทานการบริจาคทั่วไปศีลการเว้นจากการเบียดเบียนบริจาค ก, การสงเคราะห์ค่าชบริพารตามสมควรแก่ฐานะและการสลักความสุขส่วนตนเพื่อส่วนรวมอาชวะความซื่อตรงมัทธวะความอ่อนโยนตบะ คุณธรรมเครื่องเผาผานความชั่วอโกทะความไม่โกรธอวิหิงสาความไม่เบียดเบียนขันติความอดทนอวิโรธนะความควบคุมพระไทยให้สงบไม่แสดงพระอาการขึ้นลงเมื่อประสบสมบัติและวิบัติเมื่อทรงพิจารณาธรรมทั้งสิประการ น, นี้ว่ามีในพระองค์อย่างเต็มเปี่ยม แล้วก็จะทรงปีติสมนัตอย่างเต็มที่ท่านกล่าวว่าไม่มีปราโมทใดเสมอด้วยปราโมทอันเกิดจากการประพฤติ ธ, ธรรมจอมจักรพัฒยยกพระหัตถ์ขึ้นประนมทรงภาวนาพระพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณแลตรัสว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์มีคุณหน้าอัศจรรย์ พระรัตนตรัยนิช่างอุบัติขึ้นเพื่อประโยชน์แก่โลกจริงหนอเป็นโชคดีของโลกแล้วที่พระรัตนตรัยได้เกิดขึ้นเป็นลาบอันประเสริฐของปวงชนผู้อยู่ใต้ร่มแห่งพระพุทธศาสนาและนำเอาคําสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นประทีปสองทางชีวิตเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วพระมหาเถระ ก, ก็ถวายพระพร ล, ลา